ในการแก้ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันถ้าเรามีศรัทธาที่จะทำแล้วเป็นเรื่องไม่ยากเลยนะเในวันต่อไปเนี่ยถ้าคนไหนรู้สึกว่านั่งได้นานขึ้นโดยที่ไม่ปวดง่ายๆนั้นแสดงว่าร่างกายเริ่มสงบระงับแล้วที่เราสวดเมื่อกี้ว่าปัจสมภยังกายสาักสังคารังอศาศิสามีติสิกติ เราทํากายสังขารให้สงบระงับอยู่จะหายใจเข้าถ้าสังขารสงบระงับหมายความว่าเลือดลมที่เดินภายในร่างกายของเราเริ่มไม่ พ, มพลุกพรานไม่พรุ่มท่านกระแสกาเรเลือดลมที่เดินสงบระงับการเจ็บการปวดก็จะคลายลงนั่งได้นานขึ้นนั่นหมายถึงว่าจิตก็เริ่มสงบจิตจะสังขาระปฏิสังเวรีอศาศัสสสะมีดีศิกัดดีเราจะ รู้พ้องเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตถ้าตอบมาปัจสัมภียังจิตแต่สังขารังอสซาสไม่ติสึกิเราจะารู้พ้องเฉพาะาเราจะทําจิตสังขารให้สงบระงับอยู่จะหายจะเข้าหาเยจะจิตสังขารสงบระงับกายสังขารก็สงบระงับแล้วก็จะนั่งได้นานขึ้นคาว่านั่งได้นานขึ้นสติสมัมปชัญญาก็ต่อเนื่องมากขึ้นเรียว่าได้อารมณ์ละ แังนั้นหลวงพ่อภายในสามวันเนี่ยตัวสังขารกายสังขารจิตนั่งสงบระงับเรารู้ว่าใครรู้ว่าสังขารกายสังขารจิตของตนเองสงบระงับนั้นหมายความเรานั่งได้นานขึ้นนั่นเองพาะอะไรนั่งได้นานขึ้นเพราะกระแสเลือดลมเริ่มสงบรลงคับเมื่อกระแสเลือดลมเริ่มสงบแล้วการพลุกพล่านของกระแสเลือดลมจะไม่แรงเมื่อไม่แรงทําให้การที่จะไปขบไป ขาแข่งของเราเนี่ยก็ไม่มีความเจ็บปวดเจ็บแสบ ก, ก็มีก็จะเบาสบายนั่งได้นานขึ้นความต่อเนื่องสติมัยอะก็ได้มากขึ้นอันนั้นคือเรียกว่าสังขารสมุทรระงับนะทีนี้ในชั้นพวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องทำการทำงานทำมาหากินมีครอบมีครัวเรื่องลูกเรื่องสามีภรรยาถามว่าการจเจริญสติแบบเนี้ยมันจะไปทาอย่างนั้นจะได้ผลไหม จะไปรักษาความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องได้ไหมหรือขาดตอนไปเลยจะมาปฏิบัติก็มีความก้าวหน้าเฉพาะอยู่ในคอร์สเมื่อไปอยู่ครอบครัวก็ขาดกระจุยไปเลยอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าเรื่องนี้เราจะฟังประสบการณ์ของผู้ที่ครองเรือนเหมือนกับพวกเราว่าเมื่อเขาปฏิบัติแบบนี้แล้วเนี่ยเขาเอาไปใช้ในบ้านในเรือนอย่างไรแล้วยังสามารถประคองความก้าวหน้าของจิต อย่างต่อเนื่องได้หรือไม่เนี่ยซึ่งวันก่อนเร า, าได้เอ่ยถึงคุณมริษาที่มาจากเทนเนสซี Tennessee, อเมริกาซึ่งก็ได้ปฏิบัติศึกษาเนื่อนี้มาหลายปีพอสมควรซึ่งเราจะให้มาแชร์และแบ่งปันประสบการณ์ให้พวกเราฟังทั้งนี้พวกเราจะได้ไม่คลางแคลงใจว่าการปฏิบัติแบบนี้มันจะยังยืนที่จะไปใช้ในบ้านในเรือนได้หรือไม่น เราหันหน้าไปทางนูนนะ้นหน่อยมริสาไม่ต้องย้ายมาใหาเราลำบากเอาเอาไม้ตัวนั้นไปไม่อีกตัวหนึ่งเอ๊ะให้เทให้เขาด้วยแล้วไปทางนู้นท้ายนันทดสอบคุณมริษานั่งสูงเหนือได้ไหมนั่งโซฟาะจะได้เห็นหน้าเห็นตากนันเนั่งโซฟาเสร็จก็ <c oughs> คุณบริษานี่ก็เป็นคนเชียงใหม่ไปอยู่อเมริกาก็30สามสกว่าปีมีครอบครัวมีแฟนเป็นนักบินสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่ค่อยได้สเสียค่าตั๋วเครื่องบินเท่าไหร่นะเพราะนั้นเองก็มาเมืองไทยบ่อยๆเราก็จะได้ฟังการแบ่งปันของ หลังหลักจากนั้นแล้วก็เป็นการสุนทราถามปัญหาอะไรกันก็เชิญตามสบายตัวนี้เราฟังประสบการณ์ของเธอก่อ น, นขอกราบนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบคารวะหลวงพ่อครูบาอาจารย์และพระคุณเจ้าด้วยเศียลกราวขอสวัสดี คุณครูทุกท่านนะคะที่ได้มาอบรมคอร์สครั้งนี้และขอขอบคารวะหลวงพ่อที่ได้ให้โอกาสดิฉันมาพูดเราประสบการณ์ดูคุณครูตั้งใจจะฟังกันทาไมคือดิฉันนะคะก็คือจะตั้งคำถามให้ตัวเองนะว่าทำไมต้องมา ปฏิบัตหรือว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะเพื่อเื่อกุญครูจะได้ทราบไว้เล็กๆน้อยๆคือว่าประเพณีเราต้องทักทายกันรู้จักว่าเป็นใครมาจากไหนใช่ไคะดิฉันนะคะไปอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่อายุยี่สิปีนะคะตอนนี้อายุก็60ปีแล้วค่ะน ะ, ะ, นะะก็เหมือนพวกท่านๆนะคะคือว่าเพื่อ ความเจริญก้าวหน้าของชีวิตนะคะอย่างเราเรียนหนังสือมาเราก็เนี่ยนะต้องการทำงานที่ดีมีทรัพย์สมบัติมีครอบครัวมีลูกมีหลานตามปกติที่พ่อแม่ของเราสั่งสอนเรามาใช่ไหมแต่ทีนี้พอเรามาพบอีกด้านหนึ่งของชีวิตนะคะ คือมาศึกษาพระพุทธศาสนาที่แท้จริงที่แท้จริงนะคะคือที่ฉันได้ปฏิบัติกรรมฐานนี่นะคะด้วยตัวเองนะคะครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะปฏิบัติโดยการฟังเทปนะคะแล้วก็ ทำตามเทพที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนคงจําไม่ได้แล้วค่ะว่าในเทพนั้นเป็นอาจารย์องไหนนะคะแต่ก็พอเกิดปัญหามาแบบว่าปฏิบัติไปเองเนี่ยมันก็มีปัญหาใช่ไหมคะก็ไปถามครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกษอนเราเนี่ยท่านก็ให้คําตอบโดยโดยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่คือจิตใจดิฉันเน่ยฝากฝไฟทางนี้มาตลอดเลยนะคะ ที่บ้านทางอเมริกานี่เวลามีครูบาอาจารย์พระสงฆ์ท่านมานี่นะจะลงที่บ้านเป็นประจนะําเลยปีหนึ่งไม่เคยขาดเลยมากรุ๊ปหนึ่งบางทีสิบห้ารูปอย่างนี้นะที่ฉันดูแลพระสงฆ์ที่นั่นมาตลอดเลยนะแล้วก็คืออย่างที่เราทราบนะแบบว่าเราเป็นชาวพุทธจริงแต่เรายังไม่รู้จริงเราคิดว่าพระสงฆ์ทุกรูปนี่นะเป็นครูบาอาจารย์อ่ เราเห็นปฏิปทาของท่านเราก็อยากเออท่านน่าเคารพน่านับถือเราก็อยากเป็นเหมือนท่านดิฉันตัวดิฉันเองนะคะอยากเป็นเหมือนท่านอยากมีอยากเป็นเหมือนท่า น, าา เ, น, เ, น, านเพราะว่าท่านรู้สึกท่านมีความสุขแต่ทำยังไงนะคะจะเป็นเหมือนท่านได้เงี้ยมันอยู่ในใจของดิฉันตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ทำบุญทำทานก็ทำบุญทำทานแบบชาวพุทธทั่ ว, วไปนะคะคือ ทางอเมริกาแบบว่าบ้านเพื่อนคนไทยคนไหนนะก็แบบเวลาพระสงฆ์มาท่านก็โทรศัพท์เรียกมาอย่างเงี้ยเราก็ท่านก็แบบมาฉาญอาหารพวกเพื่อนๆก็ทำอาหารมากันนะพอดรักคนละหม้อละหม้อมาแล้วก็ฟังท่านให้พรแล้วก็แจกซองถวายสองท่านแล้วก็เป็นสิบพิธีละอย่างนงี้ตลอดมาเลยนะ ดิฉันก็ยังคิดในใจว่าโอ้พระพุทธศาสนาคงมีแค่นี้แล้วคงไม่มีอะไรมากกว่านี้นะคือว่าแล้วแบบว่าดิฉันเคยฝึกนะคะกับอาจารย์ไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกะโด่งดังมากในเมืองไทยถ้าเอ่ยชื่อแบบว่าทุกคนคงรู้นะคะแตบบ่ว่าอันนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วเราก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อท่านคือท่านแบบว่าเราก็อยากเป็นเหมือนท่านเราท่านสอนนะท่านแบบว่า ท่านพูดท่านเทศได้ดีมากเลยนะท่านเทศทเทศจนเรานี่เคริรมเลยนะเพราะดิฉันแบบว่าคงมีแค่นี้แหละทีนี้ดิฉันก็ตามนะตามเป็นสิบปีได้นะสิบปีตามท่านไปนะปฏิบัติอย่างเงี้ยตามท่านไปท่านก็เทศเทศสอนเราเนี้ยพอท่านเทศนะดิฉันฟังเทศท่านนี้เราก็มีความสุขนะแบบว่าเคิร์ไป แบบว่าออมีความสุขสงบแต่เวลาเลิกจากที่ออกจากที่ณที่นั้นนะกลับบ้านกลับบ้านเนะะี่ยฮะเราเจอปัญหาในครอบครัวเจออะไรเนี่ยมันแบบว่ามันมันช่วยไม่ได้เลยอะ่ะดิฉันเลยบอกมาคิดในใจว่าเออพระวาศ า, าสนานี่ช่วยแก้ทุกข์แต่ทำไมเรานะเราก็เป็นชาวพุทธเราปฏิบัติเนี่ยกรรมฐ า, านมานะทำไมมันช่วยเราไม่ได้นะคะ แตท่ที่จริงแล้วนะแบบว่าตัวเองนะคิดคิดไปเองคิดว่าตัวเองเนี่ยออปฏิบัติดีแล้วอย่างเงี้ยนั่งคือดิฉันนี่รนะับปฏิบัติมาแบบเดียวนะที่ครูบาอาจารย์ก่อนๆที่เคยสอนมาคือแบบอาณาปานาสตินั่งหลับตานะคะนั่งหลับตาสงบค่ะสงบนั่งหลับตาเนี่ยแต่เวลาออกมาเหมือนที่ฉันพูด เมือเ่อกี้เนี่ยแบบว่าออกมาแล้วเนี่ยเจอปัญหาอะไรนี่นะโอ้โหกระทบนี่นะแบบว่ามีปัญหากระทบปึงปังขึ้นมาทันทีเลยนะยิ่งครอบครัวเอ่ยเพื่อนร่วมงานเอยอยังนี้นะโอ้โหดิฉันเลยบอกว่าแย่แล้วเรานะถ้าเราแบบว่าขืนไปนอย่างนี้นะเราคงเป็นโรคเส้นประสาทแน่เลยนะยานี่ดิฉันนี่กินเป็นกำๆเลยนะยาอะไรสารพัดเลยนะกินเพราะว่า มันไม่รู้จะหาทางออกอยังไงแล้วถ้าไ ม, ถาไม่ถ้าไม่ทําอย่างนี้นะก็ไม่รู้จะทํางไงนอนไม่หลับบ้างโอความคิดนี่หมุนติ้วยังกโกงจกัดติดไฟเลยนะ น, น, นะพอดิชั่นมาอ่าปฏิบัติพอมาเจอสายหลวงพ่อเทียนนี้นะคะพอมาเจอสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยดิชั่นเจอครั้งแรกนะหลวงพ่อดิเลกเนี่ยโดยบังเอิญจริงๆนะคะ ท่านเพื่อนเพื่อนดิฉันเนี่ยทบเป็นคนนิมนต์ท่านมาที่บ้านนะคะปฏิบัติเนี่ยเข้าคอสอย่างท่านอย่างคุณครูเนี่ยค่ะแต่เจ็ดวันดิฉันบอกโอ้อะไรต้องไปตีสามตีสี่เจ็ดวันไม่เคยหรอกไม่เอาไม่ไปคงเป็นอย่างเดิมอีกนะคงไป ท, ทานอาหารแล้วก็แจกซอมแล้วก็กลับเหมือนเดิมนะคะดิฉันก็แบบว่าก็ไปแต่ที่เก็มใจเพื่อนก็ต้องไป พอไปนะก็ไปนั่งแบบใกล้ๆประตูหน่อยถ้าเห็นท่าไม่เข้าทีแล้วก็คงกลับบ้านแน่อย่างเงี้ยนะแ็จแล้วก็พอไปถึงนะแปลกมากเลยคือว่าท่านเนี่ยจะพูดถึงอ่าคือดิฉชนนี่นะความที่เรามีอัตราตัวตนเนี่ยเรายึดตัวเราเนี่ยว่าเราเนี่ยโอ้รู้ดีนะกิเลสตัวนี้นะโอ้ถ้าเราไม่นั่นมันนะมัน มันติดอยู่กับเราเนี่ยนะตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เกิดมานี่นะถ้าไม่มาศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้านี่นะเราจะไม่ทราบเลยตัวนี้นะคะพอท่านผู้ท่านบอกว่าเนี่ยนะ่าสร้างจังหวะอย่างนั้นอย่างนี้คุยให้พวกเราเนะียไม่ได้ไม่ได้เข้าคดไม่ได้อะไรคุยก่อนคือท่านแนะนําว่าวิธีนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้นะเพราะท่านรู้ว่าพวกเราเนี่ยมีครูบาอาจารย์ผ่านครูบาอาจารย์มามากรู้มากคือรู้จักรู้จํา ไม่ได้รู้จริงรู้แจ้งอะไรเลยอะจําเข้ามาจําเข้ามาพูดเสร็จแล้วก็ท่านก็บอกว่าไม่รู้จริงอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งรู้ก่อนรู้เราบอกเอ๊ะพระองค์นี้แปลกนะพระทุ ก, ท, กทุกองค์ที่ผ่านมานี่จะต้องโอ้โหแบบว่าพูดจะเอาใจญาติโยมอ่ะพวกคุณครูคงคงทุกคนคงมีควประสบะการนั่นดะิฉันคิดนะคะพูดจะพูดจะเอาใจญาติโยมแบบว่าต้องเอาใจญาติโยมเพราะว่า ต้องการบางสิ่งบางอย่างจะย่าโยมอันนี้ดิฉันคิดเอาเองนะคะแต่ไม่ทราบว่าทุกท่านจะเจอประสบการณ์ยังไงนะคะอ่าดิฉันก็บอกเออดีนะพระองค์นี้แบบว่าพูดตรงๆเลยนะไม่ อ, อ้อมค้อมดิฉันก็เห็นท่าทีเจ้าของบ้านที่นิมนต์ท่านมานะก็ไม่ได้เต็มร้อยเท่าไหร่นะดิฉันเห็นการกระทําแล้วไม่เข้าท่าเลยดิฉันนิมนต์ท่านไปที่บ้านเลยนะเพราะดิฉันเนี่ไป ปีนึงนะะก่อนที่จะรู้จักหลวงพ่อเดชเล็กเนี่ยนะทุกปีเลยเป็นยี่สิบกว่าปีมาแล้วพระจะต้องลงที่บ้านปีเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ไม่เคยขาดเลยนะแล้วหลายองค์มากเลยนะแล้วที่นู่นนะแบบว่าค่าใช้จ่ายนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะที่เมืองไทยนี่นะดิฉันนี่นะบอกตรงเลยแบบว่ายังโอ้โห ชื่นชมจริงๆเลยแบบว่าหาสถานที่ได้สบายหาสถานที่ได้สะดวกการจัดกรรมฐานก็สะดวกที่นู่นนะต้องไปจ้างสถานที่บางทีเนี่ยเจ้าภาพไนมะ่ต้องควักทุนเองเนะต้องจ่ายทุกอย่างค่าอาหารค่าที่พักทุกอย่างบางทีค่าเครื่องบินให้คนที่จะมาร่วมกับเรานะคะเนี่ยทาทุกอย่างเลยดิฉันนะเพราะว่าเราอยากเอาตัวเนี้ยตัวไม่ทุกเนี่ยไปให้เขาเพราะว่าเราเคยทุกนะเราเคย เจอปัญหาแล้วเราแก้ไม่ได้นะะแล้วอยากให้คนรู้ว่าเนี่ยพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยแก้ได้นะะเนี่ยแก้ได้จริงๆเนี่ยและเป็นอยู่กับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยได้อย่างลงตัวเลยนะดิฉันมีครอบครัวนะมีลูกสองคนผู้หญิงคนนึงผู้ชายคนหนึงผู้หญิงเป็นทางพยาบาลผู้ชายเป็นไอทีโปรแกรมเมนะะไม่มีปัญหาเลยสามีดิฉันเป็น กับทางสายกันบินเดลต้านะบิน7747นะฮะเนี่ยวันวันก่อนก็โทรมาอยู่ที่นี่เองใก um ล้ๆเราเนี่ยฟิลิปปินเนี่ยโทรมาเป็นยังไงบ้า ง, างรีทรวิตเธออย่างนั้นอย่างนี้นะเขานับถือาศาสนาคริสต์นะนับถือาศาสนาคริสต์ตอนดิ่ชันแต่งงานเขานี่นะดิชันบอกว่าชันเป็นชาวพุทธนะถ้าคุณจะให้ดิชันเนี่ยไปเปลี่ยนาศาสนาเข้าเป็นของคุณนะัก็คงไม่ลื้ไม่รู้เรื่องแน่เพราะดิชันไม่ได้เรียนมาฉันไม่รู้ ถ้าไม่เข้าใจไม่ลึกซึ้งแต่ช่างก็ไม่บังคับคุณนะให้คุณมาเข้าศาสนาพุทธเราตกลงกันโอเคเราไม่ก้าวก่ายกันแล้วก็อยู่กันมาด้วยดีตลอดเลยนะคะพอเนี่ยอย่างพระท่านไปนียฮะบางบางทีพระท่านฉันมังสวิรัตเนี่ยสามีที่ช่านก็ทําให้นะเขาเป็นฝรัง่งแต่ว่าเขาทําอาหารได้ทำอาหารเก่งมากทําอาหารมังสวิรัตให้พระนะแต่ว่าใครอย่าเข้าควนนะเพราะว่าเขาไม่อยากให้ใครมาเกะกะเขาเวลาเขาทําอาหารแค่นั้นเองนะ นอกนั้นเขาทํเขาทำอาหารได้ดีมากนะเสร็จแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะตอนแรกๆก็มีเดีย๋ยวว่าไม่มีตอนแรกๆก็มีเขาไม่เข้าใจเดี๋วว่าแต่ฝรั่งเลยคนไทยก็เหมือนกันใช่ไหมอย่างทุกคุณคูเนี่ยมีครอบครัวเนี่ยใช่ไหมเนี่ยบางทีสามีเอ้ยพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าเราไม่เข้าใจทําไมต้องไปใช่ไหมฮะเนี่ยเขาก็ต้องมีเหมือนกันตอนแรกเข้าไปก่อนไปเนี่ยเราเป็นยังไงแล้วหลังจากไปเราเป็นยังไง ดีเขาจะเห็นเราตอนเนี้ยพฤติกรรมของเราจะเปลี่ยนไปนะพอดิฉันไปเข้ากรรมาฐานกับหลวงพ่อเนี่ยพูดพูดไว้เมื่อกี้ยังไม่จบนะพอดิฉันนิมนต์ท่านไปที่บ้า น, นใช่ไหมคะดิฉันนิมนต์ท่านไปที่บ้านเนี่ยดิฉันเรียกเรียกเพื่อนมานะเพื่อนมาสองสามคนท่านก็ทักทายถามทุกสุขดิบธรรมดาไม่ถึงห้านาทีท่านพาปฏิบัติทันทีดิฉันประทับใจตรงนี้มากที่สุดเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ดิฉันไม่ เจ็ดปีปี50หรือว่าปีอเมริกปีคริสตศักราช2007 2007ที่ดิฉันได้ฝึกกรรมฐานกับท่านน ะ, ะเนี่ยดิฉันไม่เคยแบบว่าไม่เคยลืมเลยน ะ, ะท่านประทับใจท่านท่านพาเพื่อนนี่ทำเลยเพื่อนคือคนอเมริกาเนี่ยเพื่อนคนไทยที่ดิฉันรู้จักนะ่บางคนเนะี่ยังกราบผ้าไม่เป็นเลยนะ ดิชันลัดเทนเนสซี่เนี่ยดิชันเป็นคนแรกนะที่นิมนต์พระสงฆ์ไปนิมนต์พระสงฆ์ไปไปสอนให้กราบไปสอนให้อะไรแต่พระสงฆ์ท่านนะเราไม่ล้ำเลิศพระคุณของท่านท่านพายาอาจารย์องค์ก่อนๆที่สอนดิชันนะคะท่านสอนได้แค่สมถะนะคะเราก็ติดสมถะกันงอมแงมเลยนั่งทีไรหลับตาโอ้โหครวมบางคนนี่นะโยกพรหุยแบบว่ามันเพลินมันเพลินในแบบว่ามันอิ่ม ท่านอาจารย์สุภีทุมทองทุกคนทราบไหมคะบางคนทราบไหมคะท่านอาจารย์สุพีท่านพูดเองเลยนะคะว่าเนี่ยสมถะอย่างเนี้ยเป็นยากล่อมจิตเนี่ยเหมือนยาเสพติดดีๆนี่เองเนี่ยดิฉันเห็นโทษมันนะโอ้โหพอดิฉันมาเห็นเพื่อนนะที่ยังออกไม่ได้นะดิฉันแปลว่าไม่รู้จะพูดยังไงตอนนี้นะเพื่อนดิฉันนะเก่งกว่าพวกทธเจ้าอีกน ะ, ะบางคนน่ะ เนี่ยสมถะมันทําให้หลงอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่มีกัลยาณิมิตที่ดีนะกัลยาที่นิมิตในนี้ดิฉันหมายถึงครูบราครูบราอาจารย์ที่ท่านรู้แจ้งเห็นจริงท่านไม่พาให้เราหลงเวลาเรามีปัญหาอะไรท่านแก้ให้เราได้เนี่ยไม่ทิ้งให้เราบางคนเห็นไหมไปปฏิบททัติธรรมทาไมทมาํามะแตกทําไมเป็นเที้ยนไปเลยอย่างนี้เคยได้ยินใช่ไหะนี่ละ่ะนี่แหละ เพราะว่าอะไรครูบาอาจารย์ท่านไม่รู้แจ้งเห็นจริงนะเนี่ยเวลาเรามีปัญหามาท่านไม่แก้ให้เราปล่อยเราแบบนั้นเลยเพราะว่าท่านก็แก้ไม่ได้ตัวท่านเองท่านแก้ไม่ได้แล้วท่านจะไปแก้ให้ใครได้ท่านไม่มีประสบะการณ์อย่างดิฉันเนี่ยดิฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมานั่งตรงจุดนี้เพราะดิฉันนะชีวิตดิฉันดิฉันเนี่ยเรียนเรียนที่เมืองไทยจบมศสามนะไปเรียนที่นูน่นไปสอบเอ า, า GED Education Grade ดิโอมานะที่นู่นแล้วก็ไปเรียน a few course ที่คาร์ลตัเขาแค่นั้นเองนะดิฉันมาเห็นดิฉันบอกตรงๆนะคุณครูดิ่ฉันไม่ชอบเรียนหนังสือเบื่อที่สุดเลยการเรียนนี่เป็นเรื่องที่เบื่อนายแต่ว่าถ้าให้ทำอะไรด้วยฝีมือนี่ดิฉันชอบนะอยู่ที่อเมริกานะดิฉันก่อนที่จะไม่ใช่สิปีที่แล้วเปิดคอร์สนะส่วนมากมีคุณหมอทั้งนั้นเลยมาเต็ม เนี่ยดิชันนะเคยคิดนะเพื่อนที่เป็นหมอด้วยกันนี่บอกว่าเคยสอนเราดีนะคราวนี้เหรอดิชันนะ่ยจะมาดังสอนนะท่านนะเนะนี้ยคุณครูนะดิชันนะเห็นไหมดิชันต้องมาพูดให้คุณครูฟังเคยไหมคุณครูเคยฟังลูกศิษย์ไหมทีนี้ลูกศิษย์ต้องมาฟังครูใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็นะคะดิชันก็พูดถึงเรื่องสมถะนะคะพอครูบาอาจารย์ท่านเราไม่อยากเล่ยเนาะเพราะว่ามัน มันไม่ดีนะเพราะว่าดิฉันก็ได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยรู้เลยในชีวิตก็เพราะท่านก็กับท่านเหมือนกันนะพอดิฉันเจอหลวงพ่อดิเลกวันนั้นนะคะดิฉันกับเพื่อนก็คุยกันเพื่อนที่เป็นหมอด้วยกันเพื่อนที่เป็นหมอนะแต่ว่าเรานิมนต์สายหลวงพ่อเทียนมาไหมเราลองมาทุกอย่างนะทครูบาอาจารย์แทบทุกวัดเลยนะที่อเมริกาที่เมืองไทยด้วยเราลองหลวงพ่อเทียนสักครั้งเป็นไงเพราะว่าท่านท้าทายไว้นะ หนึ่งวันสองวันจนถึงเจ็ดวันจนถึงสามเดือนจนถึงหนึ่งปีจนถึงสาม ป, ปีไม่เกินสามปีพระพุทธเจา้าท่านยังพูดถึงเจ็ดปีเลยใช่ไหมคะแต่นี่หลวงพ่อเทียนบอกแค่สามปีดิฉันก็เลยเอาหน้าเพื่อนตกลงจัดที่บ้านเพื่อนกันหมอเดโชกับคุณหมอสุธิวรามากันที่มากันนะเยอะมาประมาณสักยี่สิบกว่าคนนะแต่ว่า ไม่ได้อยู่ปฏิบัตินะเข้ามาถวายอาหารแล้วก็อขอพรพระแล้วก็กลาบไปอย่างนี้นะแต่ที่อยู่ปฏิบัติกันจริงๆนะประมาณสักสิบคนแต่วันที่อยู่ จ, จนครบครบชุดนะนะครบสูตรเลยแค่ประมาณห้าคนนะห้าคนเนี้ยดิฉันก็อ่า เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในห้าคนนั้นนะคะแต่ขอโทษทีนะคะคุณครูดิฉันจะหนีไม่รู้กี่ครั้งอ่ะแบบว่าหาอุบายจะหนีจะหนีทุกทุกแบบว่าทุกวันเลยคิดแต่เรื่องจะหนีแบบว่าเนี่ยดิฉันขอบอกด้วยความจริงใจเลยนะคะคุณครูเนี่ยเก่งมากจริงๆอดทนจริงๆมีน้ําอดน้ําทนนะนั่งได้ดิฉันสังเกตดูเนี่ยบางคนนี่นะโอ้โหนั่งได้นานๆเลยนะเวทนาแบบว่าไม่ไม่ไม่รบกวนมากนะดิฉัน ยังไม่ถึงเครื่องของคุณครูเลยนะตอนนี้ชั้นปฏิบัติใหม่ๆเสร็จแล้วก็ดิฉันก็ปฏิบัติที่คอร์สครั้งแรกนะก็ได้อารมณ์ดีแบบว่าแปลกอะคือมันแปลกกว่าตามกว่าเดิมนะตามกว่าเดิมมากข้อไหรนะ่ฮะเพราะว่าท่านเนี่ยมาถึงเนี่ยท่านให้ทําแบบที่เราทํากันเนี่ยเริ่มต้นวันเนี้ยนะ จนถึงครบเจวันเนี่ยนะเราจะแบบสตาดีอ่าสติปฐานสูตรนะกายเบทนาจิตธรรมวันนี้เรื่องกายใช่ไหมคะเดี๋ยววันต่อไปคงเวทนาจิตและทำวันต่อไปเนี่ยเนี่ยสตาดีเหมือนท่านเนี่ยทุกท่านเนี่ยนะจนดิฉันแค่สองวันนะดิฉันเข้าใจอารมณ์รูปนามนะคะรู้จักแยกจิตแยกกายออกจากกันนะโดยที่ว่า ผ่าดิฉันเนี่ยฝึกกับพระมาไม่หลายองค์นะอย่างน้อยครูบาอาจารย์เนี่ยสี่ห้าองค์นะแล้วฝึกมาประมาณยี่สบสาสิปีไม่รู้จักเรื่องรูปนาไม่รู้จักแยกกายแยกจิตไม่รู้จักเรื่องความคิดไม่รู้จักอารมณ์ไม่รู้จักว่าอารมณ์เป็นยังไงรู้แต่ว่าอารมณ์อารมณ์อารมณ์ไม่ดีใช่ไหมเราชอบพูดกันบ่อยๆอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีแต่เนี่ยพวกอารมณ์ไม่ดีพวกอะไรนี่นะเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านะ แก้ได้หมดเลยถ้าคุณครูลองตั้งใจทำล่ะแก้ปัญหาอารมณ์เรื่องความคิดเรื่องอะไรคนที่นอนไม่หลับอะไรเนี่ยแก้ไดนะ้พอสองวันเนี่ยดิฉันเข้าใจอารมณ์รูปนามนะดิฉันก็แบบว่ามันเปลี่ยนชีวิตของดิฉันเลยนะแบบว่ารู้จักคําว่าพระพุทธศาสนารู้จักคําว่าพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เนี่ยเบิกบานเบิกบานด้วยทำนะอย่างพ่อแม่ของเราใช่ไหมฮะให้ชีวิตให้เลือดเนื้อเชื้อไขเรามาแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเราเนี่ยท่านให้จิตวิญญาณเราใหม่เลยให้เกิดอีกครั้งหนึ่งนะครั้งนี้เนี่ยเกิดครั้งที่สองนี่นะมันจะติดตัวเราไปจนตายเลยนะและเราจะจะช่วยช่วยชาวโลกที่เขาทุกข์ช่วย ผู้อื่นที่เ้ายังไม่เข้าใจนะที่ยังหลงทางเราได้ช่วยมากเลยอย่างพระพุทธยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพระพุทธเจ้าพอท่านตัดสรุ้แล้วท่านหนีไปไหนท่านทรงสั่งสอนโลกนี้เห็นไหมโอ้กี่กี่พันปีมาแล้วสองพันห้าร้อกว่าปีนะแล้วทั่วโลกเลยนะได้พึ่งใบโพธิญาณของท่านนะแล้วยกตัวอย่างใกล้ๆอย่าง หลวงพ่อดิเลกเนี่ยท่านช่วยท่านช่วยคนที่ทุกเนี่ยมากี่มากน้อยกี่กี่หมืน่นกี่แสนคนนะถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีดิฉันวันนี้ที่จะมานั่งตรงนี้นะเนี่ยท่านให้ทาท่านสามารถช่วยดิฉันให้พ้นตกนรกมาได้นะคือตกนรกเนี่ยไม่ใช่ตอนตายนะตกนรกตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละตกนรกที่ว่าความคิดของเราความไม่ดีของเราเราเคยทำความผิดอะไรมาเราเคย ไปต่อว่าเคยไปฆ่าใครลักของใครขโมยของใครไปทําให้เขาเจ็บช้าน้ําใจไปอาคารพยาบาลอะไรเนี่ยเนี่ยนรกดีดีนี่เองไม่ต้องไปรอจนตายเนี่ยโลกของเรานะคะเนี่ยไม่ให้เป็นเปรตไม่ให้เป็นอสูรกายไม่ให้เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยท่านช่วยดิฉันเนี่ยดิฉันถึงบอกว่าชีวิตนี้ดิฉันไม่มีอะไรที่จะทํานอกจากเนี่ยเนี่ย ท, ทําอยู่ขนาดนี้นะคะในชีวิตดิฉันมีมีอย่างเดียวเนี่ยนะคะ และสามีดิฉันนะเขาทำงานอย่างนี้เครียดมากนะเขาดื่มแอลกอฮอลอดิฉันเป็นห่วงมากนะตอนที่ดิฉันไม่ไม่มาปฏิบัตินี่นะดิฉันเคยพูดเขานะเขาก็แบบว่าแบบว่ามันมีปากเสียงกันอนะ่ะไม่เข้าใจกันนะจนดิฉันเบื่อหน่ายนะไม่พูดวันหนึ่งนะเข้ามาหาดิฉันเองเลยนะหลังจากที่ดิฉันปฏิบัติกับหลวงพ่อเนี่ยประมาณ สักไม่กี่ปีมาเนี่ยเข้ามาหาดิฉันเองเลยนะมาบอกว่าเขาละอายเขาเห็นฉันแล้วเขาดื่มไม่ลงเขาจะขอเลิกดีกว่าอย่างนี้ดิฉันเลยบอกสาธุเนี่ยเพราะอานิสงส์นะการปฏิบัติธรรมเห็นไหมเนี่ยครอบครัวเราก็มีความสุขตอนนี้นะโหเซฟเงินค่าค่าวัดกาเนหะ <laughs> าะวดตการ์เลยได้เยอะเลยนะเนี่ยดิฉันถึงบอกว่าแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคอย่างหลวง หลวงพ่อท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีปัญหากับครอบครัวไหมแลวจะใช้กับชีวิตยังไงใช่ไหมคะแน่นอนที่สุดเลยนะใช้กับชีวิตไ ด, ด้ฉันมีครอบครัวเนี่ยมีเพื่อนบ้านเนี่ยดิฉันสามารถช่วยเพื่อนบ้านทุกคนแทบทุกคนเลยที่มีปัญหามาเะนะเพื่อนอะไรเนี่ยช่วยได้แล้วไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องแบบว่า ต้องไปบวชชีบวชพรามอะไรหรอกนะครเป็นคารวะ ด, ดีๆนี่แหละเป็นชาวบ้านนี่แหละเนะี่ยไม่ต้องกลัวเลยใครที่บอกว่ามาปฏิบัติสามีหรือแฟนกลัวจะไปบวชชีหรือกลัวจะทิ้งเ้านะบอกได้เลยไม่ต้องห่วงหรอกนะมันเป็นไปมันเป็นไปได้ตามเหตุตามปัจจัยอ่ะอย่าเพิ่งไปคิดก่อนที่ยังไม่เกิดขึ้นเนะี่ยต้องบอกเขาว่าอย่างนี้เนะี่ยเนี่ยแต่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณนะเนะี่ยอย่างนี้ฉันไป พอออกจากคอร์สของหลวงพ่อเนี่ยกลับบ้านเนี่ยนะดิฉันจะตั้งใจทำนะคือทําให้ต่อเนื่องอย่างบางคนเนะี่ยดิฉันสังเกตดูนะแบบว่าเวลาหลวงพ่อท่านกิ้งปฏิบัตินะตั้งท่าทําพอพอกิ้งให้เลิกเนะี่ยทิ้งเลยอย่างเงี้ยมันมันไม่ต่อเนื่องนะไม่ว่าเราจะเข้าคอร์สหรือหรือว่าเวลาเทกับเบ a k หรืออะไรอะไรเนี่ยเราต้องอยู่ใน การสำรวมปฏิบัติตลอดเลยนะดิชันนี่ไม่ยุ่งกับใครเลยน ะ, ะเวลาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยจะอยู่พยายามแบบว่าไม่คุกครีกับเพื่อนนะเพราะว่ากว่าเราจะมาได้คิดดูสิคุณครูใช่ต้องโหต้องเวต้องปิดโรงเรียนต้องอะไรก่อนคุณครูจะมาได้นักเรียนเพราะว่าต้องติดงานอะไรใช่ไบางคนนี่มีธุระอะไรก็ต้อง ต้องเสียสละต้องมาฝึกตรงนี้เพราะฉะนั้นนะต้องทําตรงนี้แนละให้มีคุณค่าที่สุดห้าวันเนี่ยนะดิฉันว่าน้อยที่สุดเลยห้าวันเนี่ยสําหรับการปฏิบัติอย่างนี้ยแต่ว่าดิฉันดูแล้วอินซี a, กําลังของครูเนี่ยแบบว่าใช้ได้เลยใช้ได้มากทีเดียวเลยนะนั่นนะก็อย่างดิฉันบอกนะแบบว่าทําให้ต่อเนื่องไม่ว่าเราจะเข้าห้องน้ําอะไรอะไรนะ เข้าห้องน้ําทานอาหารอย่างเงี้ยดิฉันนี่นะเคยชอบอาหารอะไรนี่นะไม่ตักเลยก็มีบางที่ตักมันใจมันบอกว่าตักให้เยอะตักให้เยอะดิฉันนัะตักแค่เครื่องช้อนดูสิดูใจฝืนใจตัวเองอ่ะดูใจตัวเองว่าเออถ้าเราไม่ตักให้มันมันจะตายไหมโอ้เว้ยมันดิ้นตัวนี้ตัวที่ดิ้นในตัวอะไรตัวกิเละตัวอุปทานที่มันอยู่กับตัวเรามาตลอดเลยเนี่ย พอเราไม่ตากให้มันมันก็ไม่ตายนะแล้วก็กินได้อย่างเงี้ยฟื้นอย่างงี้แหละฟื้นทวนกระแสไงสิ่งที่เราเคยทําอยู่กับบ้านวะที่บ้านอะทิ้งไม่ก่อนเรามาทำสิ่งใหม่เอาของเก่าทิ้งไว้ที่บ้านก่อนมาทำสิ่งใหม่แล้วสิ่งที่คุณครูจะได้รับนะมันโอ้โหมากมายมหาศาลเกินที่จะพานาเกินที่จะเอ่ยมาในะที่นี้ได้นะคะเนี่ยแล้วแบบว่าชีวิตนี้นะแบบว่ามันมีความสุขขึ้นเน่ย ดิฉันนะไม่แปบลบว่าเราเนี่ยไม่เมื่อก่อนนี้เคยกล้าที่ไหนจะมาพูดต่อหน้า ผ, ผู้คนเยอะๆอย่างนี้นะไม่กล้าเพราะอะไรมันจิตใจมันไม่ไม่มีสมาธิจิตใจก็เพิ่มนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า เราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้ฝึกเรื่องจิตเรื่องใจมานะคุยได้พูดได้อย่างนักแสดงที่เขาฝึกมาเนีย่ยอาชีพของเขาใช่ไหมเขาฝึกเขาพูดได้แต่เขาว่าไี่มีสมาธิไม่ได้มีอะไรมีสมาธิแบบสมาธิธรามหากินใครๆก็มีสมาธิในการเรียนหนังสือสมาธิในการสอนหนังสืออย่างนี้ทุกคนต้องมีนะคะแต่สมาธิที่จะช่วยสมาธิสติสมาธิปัญญาที่จะช่วยให้เราเอาใจรอดนี่นะเราต้องมาเจริญสติแบบนี้นะ จะแบบไหนก็ได้ไม่ไม่ใช่ว่าต้องเป็นแบบนี้ตลอดนะแบบอื่นก็ได้ถ้าคุณทําได้แต่แบบนี้นะ่ะมันง่ายที่สุดเท่าที่ฉันทํามาเพราะทีฉันก็เรียนให้คุณครูทราบแล้วสามสามสิปีทํามาก็ได้อย่างนั้นนะ่ะแก้ปัญหาทุกไม่ได้อย่างที่บอกแต่พอมาอย่างนี้นะสองวัน ตั้งใจจริงๆนะแค่สองวันแค่นั้นนะสํารวมกายวาจาใจของเราแนละตั้งตั้งมันมีปัญหาอะไรมาถามเลยมีปัญหาแล้วไปถามครูบาอาจารย์เลยอย่าเก็บไว้นั่นนะ่ะเพราะว่าอันนี้แหละตัวนี้แหละที่มันอยู่ในใจเราอะ่ะตัวอึดอัดขัดเคืองไม่พอใจเดี๋ยวเศร้ามองผ่องใสอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยตัวนี้แหละต้องเอาออกให้ได้เนี่ยพอกลับเนี่ยนะกลับไปจากการปฏิบัติเนี่นะคุณครูกลับไปเนี่ยไปไปฏิไปที่บ้านอย่างนี้นะ ทำเลยเวลาเราเช็ดบ้านถูบ้านล้างชามเนี่ยให้ใจเราอยู่กับมือให้การเคลื่อนไหวเนี่ยล้างชามเราอยู่นี่ไม่ใช่ล้างชามไปตะโกนเรียกลูกเปิดโทรทัศน์ซิปิดทีวีซิอย่างนี้นะ่ยอย่างนี้ไม่ได้เราปฏิบัติแล้วเราต้องดูอยู่กับตัวเราให้มากๆนะเนี่ยอาบน้าแปรงฟันเนี่ยดิฉันนี่นะทำทุกอย่างเลยที่ครูบาท่านแนะนำไม่ให้พลาดเลยอย่างเงี้ย อย่างเราแปลงฟันอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาใช่ไหมแปลงฟันแต่หูตาดูโทรทัศน์หรือว่าใจนูนอยู่บ้านอยู่โรงเรียนแล้วโอ้เราจะใส่ชุดไหนดีไปโรงเรียนวันนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมใจมันไวมากใจมันเร็วมากมันมันไปก่อนกายอีกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ยถ้าเรามาฝึกจิตฝึกใจให้ใจอยู่กับกายนะแล้วทําอะไรนะเรามีสติอย่างงี้นะโอ้โหสติเนี่ยเป็นตัวแม่เป็นตัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ เนี่ยสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะฝึกฝึกให้ได้นะดิฉันฝึกมานี่นะถ้าไม่ฝึกมาอย่างดีนะจะไม่มีวันนี้ที่มานั่งตรงนี้เลยนะเนี่ยแก้ได้เวลามีทุก์แก้ได้เวลาเพื่อนมีปัญหาแก้เขานะชวนเขามาปฏิบัตินะพ่ออยาให้เขาพ้นทุกถ้าเขามีบุญนะเขาก็มากับเราแต่ถ้าเขาไม่มาไ ม, ไม่มาปฏิบัติก็ไม่เป็นไรแต่สมัยก่อนนะตอนนี้ฉันไม่เจอหลวงพ่อฤาษีนี่ชวนเพื่อนมาปฏิบัติ โอ้โอุส่านะบอกล่วงหน้าไม่มานะโอ้โหใจนี่นะแป้วเลยนะรู้สึกขัดเคืองแต่เดี๋ยวนี้นะ่าชวนใครมาใครมาก็สาธุใครไม่มาก็สาธุนะเขาจะทำอะไรเรื่องของเขาเราดูตัวเราเองตัวเรานี่แหละนะมันคิดมันพอใจไม่พอใจอิจฉาริษยาอะไรอยู่ในใจเราหมดเลยเน่ยนะเราดูตัวเราดูตัวนี้แต่เราดูไม่ได้นะถ้าเราไม่มาฝึกยกมือ รวบรวมกำลังรวบรวมสติเนี่ยอยู่ตรงนี้เพราะถ้าถ้าเราไม่มีสติตั้งมั่นนะเราจะเราไม่สามารถที่จะไปดูจิตดูใจเราได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาฝึกเนี่ยยกอย่างเงี้ยให้ดูกายอีกหน่อยนะสติรวบรวมเข้ามามากๆเข้าเราจะเห็นจิตของเราเองเลยทีนีนะ้เราสามารถควบคุมจิตเราได้เนี่ยเห็นความคิดเห็นอะไรนะเกิดสมาธิเกิดปัญญาปัญญานี่ก็ไม่ใช่ว่าปัญญา ทำมาหากินอย่างที่เราทําทุกวันนี้ทุกคนก็รู้ฮะ ท, ทุกคนทำมาหากินปัญญาตัวนี้แต่ปัญญาตัวนี้เนะี่ยเป็นปัญญาโลกุตระนะปัญญาที่เข้าไปไม่ใช่พิสดารอะไรนะท่านปัญญาที่เข้าไปเห็นทุกนะทุกเหตุเกิดทุกขและการดับทุกขและหนทางที่ปฏิบัติเที่ยพวกเพื่อจะให้พ้นจากทุกอันนี้เนี่ยทําได้เนี่ ย, ยและดิฉันก็ทํามาแล้วนะคะ และในชีวิตนี้ก็คงแบบว่าไม่มีอะไรนอกจากสิ่งเหล่านี้เท่านั้นนะแล้วก็ดิฉันก็ดีใจมากเลยที่ได้มาพบกับคุณครูทุกท่านเห็นหน้าตาคุณครูแล้วเป็นผู้มีใจอกอ้อมอารีทุกคนเลยนะคะขอขอบพระคุณดิชันก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วนะคงวันแรกนี่ก็หนักพอสมควรแล้วนะจะให้คุณครูได้พักแล้วก็จะขอให้หลวงพ่อดิเลกท่านได้ สรุปข้อความนี่ฉันอยากจะฝากไว้นะคะนะขอให้คุณครูตั้งใจให้ดีทำนะคะสิ่งนี้นะ่ะเป็นสิ่งเดียวนะคุณครูจะได้ทดแทนพรอคุณพ่อแม่บิดามารดาของเราทุกคนเลยญาติพี่น้องของเรานะด้วยให้ให้สิ่งนี้แก่ท่านให้สิ่งนี้แก่ท่านเนะีเนี่ยสิ่งที่แบบว่าจะติดตัวไปท่านติดตัวไปกับท่านจนวันตายเลยนะไม่ต้องดีไม่ดีไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วไม่ต้องเป็น อ, อสุ ร, รกายเปตเ ด, สสด ร, ริชานอะไรทุกที่เราเห็นนะเราเห็นใครเรายังไม่อยากเราเห็นเวลาเราเห็นคนที่ทุตพลภาพอย่างนี้ใช่ไหเรา awa, ยังบอกโอ้ยเราไม่อยากมาเกิดเป็นอย่างนี้เลยเราเคยเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องทำตัวนี้ละตัวเดียว หนทางเดียวพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้อยู่นะคะแล้วก็มีมิสหายดีนะคะมิสหายคือครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็สหายธรรมสหายธรรมก็คือเพื่อนที่ร่วมปฏิบัติ ด, ด้วยกันนะะแบบเดียวกันเข้าใจกันมีอะไรพูดปรึกษากันได้เนี่ยสหายธรรมสำคัญมากแล้วก็สถานที่สถานที่อยู่สัปปะยะไม้นะสำวังคตาเนี่ย ข้อนี้สำคัญมากใน3อย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกเป็นทั้งหมดของพุทธมจริย์เป็นทั้งหมดของการศึกษาพระพุทธธรรมเลยนะคะเพราะฉะนั้นในคืนวันนี้ดิฉันก็ขอข อ, ขอพระคุณคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะแล้วขอขอขอคารวะหลวงพ่อที่ให้โอกาสดิฉันครั้งนี้ขอให้คุณครูจงพบกับความสุขความเจริญในการปฏิบัติข้อนี้ขอให้ทุกท่านจงได้มีดวงตาเห็นธรรมด้วยกันทุกคนทุกสิ้นเธอ ใ่จะไม่มีคำถามมากมากเพืฏอบติบลข้อรแรกหลวงพ่ อ, อ เ, เอาไว้สักสองสาวันเนะาะเราจะเห็นว่าการปฏิบัติแบบนี้ไม่เป็นกุศลแม้ต่การคองเรือนนะแถนจะทำให้ครอบครัวเราดีขึ้นสามีลูกหลานภรรยาเราจะดีขึ้นด้วยนะ แต่ว่าเราต้องไปใช้ให้ถูกน ะ, ะหมายความว่าถ้าเราใช้สติการฝึกเนี่ยถูกแล้วที่เราเคยรุนแรงแข็งกร้าวก็จะอ่อนลงซอฟลงที่เรากระโดกระเดกอะไรก็จะเรียบร้อยขึ้นน่ารักขึ้นที่เราหน้าบึ้งหน้านิ้วคิ้วขหมดใส่กันก็จะหน้าอ่อนหน้าหวาหนาหน้ายิ้มมี เรา ย, ยิ้มมากขึ้น น, นี่จะเริญสติได้ถูกนะคือเราจะเห็นตัวเรามากขึ้นนะคาว่าเห็นตัวเรานี่หมายถึงว่าเห็นใจของเราว่าใจของเราเนี่ยมันทําให้กายเนี่ยเป็นไปได้ทุกอย่างดังนั้นตัวใจที่เราไม่เห็นแล้วก็สวมหน้ากากอะไรหลายๆอย่างพอเรามาเจริญสติเราเห็นแล้วก็ตะถอดเอาแก่เปลึกมันออกนะ เอาเปลือกออกเราจะเห็นเนื้อในังนั้นความคิดและสิ่งที่เรายึดเขาเรียกอุปท า, านเหมือนเปลือกนะเปลือกของของจิตเปลือกที่มาในนามของรูปขเขาเรียกดูอุปาทานนัขันถูนิสสวติ เ, เช้าเปลือกคือรูปที่เราไปยึดว่ารูปสวยไม่สวยรูปน่ารักไ ม, กไมก่น่ารักก็เป็นเปลือกเท่านั้นเบาริงมันไม่สวยไม่ไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรน่ารักน่าชัางในรูปนั้นมันก็คือรูป แต่เราไปสวมเปลือกสวมหน้ากากให้มันมันก็กลายเป็นรูปน่ารักน่าชังขึ้นมาใจของเราก็เป็นไปตามที่เราไปสร้างให้มันเสียงเราฟังเสียงละเสียงนี่เพราะไม่เพราะถูกใจไม่ถูกใจมันก็เป็นเปลือกเข้ามาอีกอีกชั้นหนึ่งแต่ความจริงเสียงก็ไม่มีน่ารักน่าชังเสียงก็คือเสียงแต่เราไปใส่ตีไข่ใส่สีให้มันมันก็มีอิทธิพลต่อเรา มันว่าเรามันด่าเราคนนั้นชมเราคนนั้นเสียงในเสียงเราอย่างเงามันนึกมันคิด น, นคือเปลือกที่ห่อหุ้มที่มาในรูปของเสียงกลิน่นรถสัมผัสก็เช่นเดียวเพราะนั้นการที่เราเอาเปลือกหลายๆเปลือกเข้าไปซ้อนๆกๆันมันก็เลยมัาเรียกว่าอะไรมันหนาใช่ไหมจิตของเราก็ถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกของอุปาทานเหล่านี้เขาเรียกที่เรียกว่าปุถุชนคือคนหนา หานด้วยเปลือกหลายๆชั้นน่ะที่เราหุ้มห่อเข้าไปแต่พอเรามาเจริญสติแล้วเห็นโอ้จิตของเรานี่เนื้อในใจความวแท้มันชื่อๆตรงๆชัดๆใสๆอยู่มีอยู่นี่แล้วทําไมบางครั้งมันคิดอย่างนู้นอย่างนี้อ๋อมันไม่ใช่จิตอันนั้นคือเปลือกของมันแล้วก็สลัดเปลือกมันทิ้งไปเรื่อยๆก็เลยจิตลว้วนๆจิตที่อ่อนโยนจิตที่ผ่องใสจิตที่สะอาดพรทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้ว่า พันธะนํ่เ อ, อไม่ใช่พปะอิประพัสรรมิทางจิตตังอาคันตุเก เ, เสหิอุปการิทังเพราะจิตนี้เดิมแท้นั้นประพัอนรผ่องใสสะอาดแต่เมื่อมีความคิดเสมือนอาคันตุกะกิเลสเข้ามาห่อหุ้มจิตนี้จึงเศร้าหมองไปด้วยอาคันตุกะกิเลสคือความคิดความยึดมัดดม่นถือมั่นอั น, นั้น ท่านปรึกษามจิตนี่เหมือนกับพระอาทิตย์มันแจ่มมันสว่างตลอดเวลาแต่บางครั้งบางว่าเราเห็นมันมืดมันคลุมเครืออะไรต่างๆไม่ใช่เพราะแสงอาทิตย์มันมืดมันคลุมเครือเพราะอะไรเพราะชั้นบรรยากาศที่มันหลายเปลืกหลายชั้นมากเลยก็ไปบางยิ่งชัมากชั้นเท่าไรแล้วก็บอกว่าโอ้วันนี้มืดจัง ได้คงจริงพระที่มันเี้มืดเยอะแต่ชั้นบรรยากาศไปบางเยอะเกินไประวังนะผมมืดแปรได้ขึ้นมาเมื่อไหร่ ย, ยุ่งนะเนี่ยนัมันมืดแปรได้หมายความว่ามันมาทุกด้านเลยนั่นหมายความอารมณ์มันบางหลายชั้นมันก็จะมองให้มองเราก็จะไม่เห็นละมองเราไม่เห็นเป็นคนแล้วเนี่ยมองอะไรเป็นอะไรเป็นสัตว์เป็นเป็ดเป็นยกักเป็นมารเขาข่าทิ้งบางอะไรทําร้ายกันเบียดเบียนกันเพราะเราไม่ได้เห็น คนเป็นคนเหรเห็นคนเป็นอย่างอื่นไปการเบีเยดเบียนการทําร้ายกันาฟันรันแทงกันรรบราอันไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยเหตุอย่างนี้เพราะจิตใจมันถูกบงังแต่เดิมแท้ข อ, ของเขาไม่เป็นอย่างนั้นไหมไม่เแต่เขาไปหลงว่าชั้นบรรยากาศคือแสงดะวันอย่างพระโอคุริมาใช่ไหมถูกชั้นบรรยากาศของจิตมันบงับงบงับงบังจนมาหลายชั้นไปสําคัญว่าคนนะ เจ้าของหัวไม่มือเพราะเราจะต้อหัวไม่มือของคนมาเพื่อจะไปแลกกับมนต์อะไรถูกอาจารย์หลอกแต่มาพบพระพุทธเจ้าเอ้าท่านก็บอกเอ้ามันอันนั้นไม่ใช่นี่นะคุณฉันหยุดแล้วคุณยังไม่หยุดคือไม่หยุดคิดอ่ะถ้าคุณไม่หยุดคิดคุณก็สร้างบรรยากาศบัดบางจิตของเรื่อยๆไปถ้าคุณหยุดคิดเมื่อไหร่นี่มันไม่มีบรรยากาศอะไรไปบดบางจิตของคุณเฉื่มชาเมา่อเดิมฉันเคยหยุดได้ปุ๊กเลยพอหยุดปุ๊บก็เห็นจิต สว่างว่าขึ้นมาชำอาการเหล่านั้นได้เ อ, อ้เมื่อก่อนจิตแบบนี้เราเคยมีก่อนสมัยเราเป็นอหิงสกะกุ ม, มารแล้วมีความสุขแต่ตอนนี้เรากลายเป็นมหาชนองคคุลิมานสิ่งสองจิตมันกลับมาบรรจบ ก, กันอีกครั้งหนึ่งเราจิตสะอาดที่สมัยเป็นอหิงสกะกุ ม, มารแล้วจิตสะอาดที่ได้พบพระเจ้าพู้รูเจ้าสกิด ท, ทั้งนี้ออกไปแวบมันมาบรรจบกันนึกขึ้นได้สลัดทิ้งคราบนั้นทันทีเลยอยากมืด สนิทกลายเป็นสว่างทันทีเลยใช่ไหมวาวขึ้นมาเหมือนคืนที่เมื่อสนิทมีฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วเกิดร้ายนิง เ, เกิดแสงสว่างของอะไรฟ้าแลไรใช่ไหมวา้าวสว่างขึ้นมาจําจิตของตัวเองได้โอ้จิตของเราเดิมแท้นี่มันไม่ได้เาหมองไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้วิตกกังวลเนี่ยที่มันวิตกกันวนวงวลสมองมันไม่ใช่จิตมันคืออะไร อ, อุปทานของเราเอง ก็สลัดทิงวัตถานที่เราจะสลัดทิ้งอย่างไรที่เรามาทําเนี่ยตั้งแต่เราสั่งสมความคิดมาแต่ละวันนะถามมาแต่ละวันที่เราคิดเนี่ยคุณคิดกี่ครั้งจําได้ไหมวันหนึ่งจำไม่ได้เลยนะถามว่าสิบครั้งได้ไหมยี่สิบครั้งได้ไหมร้อยครั้งได้ไหยไม่นะอัน countable อเนกชาติเนกชาติสังสร้างสรรค์สันดาวีสัง อ, อนันปิสังก า, ารังเขเวสันโ ด, ดนทุฆาชาติปุริปุระพุทธเจ้าท่านเห็นเรื่องจิตกันนี้เป็นครั้งแรกโอ้ท่านอุทานเลยเนี่ยคาถาเรื่องขันทับพุทธอุทานเมื่อเราไม่พบสติหรือไม่พบญาณปัญญาเราได้วิ่งไปตาม เงาของจิตตลอดพบตรอชาตินับชาติไม่ไม่ท้วนบันนี้เราเห็นว่าเงาของจิตคืออะไรอากสิ่งที่มาบดบังจิตคืออะไรเราเห็นละเราก็เห็นจิตด้วยบันนี้สิ่งที่มาบดบังจิตจะมาบดบังจิตของเราไม่ได้อีกต่อไปจิตนั้นเราได้ถึงแล้วซึ่งภาะวะที่ไม่มีอะไรมาบดบงังคือไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องไปสร้างความคิดขึ้นมาอยู่กับความรู้สึกตัวจิตเดิมแท้ก็กลับคืนมา ท่านอุทานโอ้เราเกิดเวียนว่ายแต่เกิดมานับชาตินับพบไม่ท่วนเพราะเราวิ่งตามสิ่งที่ไม่ใช่จิตพอค้นพบจิตได้ปับ๊บจิดสว่างว่าขึ้นมาท่านผูอุทานเห็นสิ่งนี้ท่านบุรุษทาเลยคาถาเนี้ยคาถ า, า, าพุทธอุทานคือพุทธิเจอุทานอันนี้กระชาดีซึ่งช่าคาถานี้บทนี้ไพเราะมากเลยที่เราสวดนะอันนั้นทุกคนมีอยู่แล้ว ด น, นการที่เรายกมือนี้เพื่ออะไรเพื่อที่สลัดปลึกของความคิดห่อหุ้มที่มันเป็นชั้นเป็นชั้นนึกถึงตัวหมอนไหมไหมเคยเห็นตัวตัวไหมนะที่มันพันไอ้สายใหญ่มันพันตัวมันเองนะนับไม่ได้เลยนะกี่เส้นนะจนเอาไปทําไงให้ออกเอาไปต้มเอาไปต้มมันถึงจะถึงจะออกมาได้ถ้าไม่ต้มมันไม่ออกเพราะนั้นมานี่เรามาต้มตัวเองนะไม่ใช่ถูกหลวงพ่อต้มนะ เรามานั่งตุ่มโดยต้มเพื่อที่จะเอาสายใหญ่ของความคิดความผูกพันอะไรออกไปเพื่อจะเห็นไปเห็นตัวจิตเดิมแท้ไปเห็นตัวจิตเดิมแท้ออกมาแต่เราจะสายใหญ่นั้นออกทีไรเส้นไรเส้นมันไม่ทันเราก็ต้มต้่มหมายโกเรามานั่งทราามานตัวเองเขาใช้คําว่าอาตาปีหรือตบัดบำบำเพ็ญตบัดตามภาษาละนะบำบเป็นตบัดนะคือมานั่งอดนั่งทนนั่งเฝ้าดู โฟกัสกายโฟกัสใจมาแยกออกอันไรเป็นกายอะไเป็นใจบางครั้งเนีบางครั้งมันก็เป็นความคิดบางครั้งก็เป็นความรู้สึกสลับกันไปบางครั้งรู้สึกบางครั้งคิดบางครั้งคิดบางครั้งรู้สึกทําไปทํามามันค่อยแยกกันชัดขึ้นชัดขึ้นบางครั้งความคิดมาออกอันนี้ความคิดถ้าพเอาความคิดหายไปความรู้สึกปรากฏลืมปั๊บเอาความคิดเข้ามาดูความคิดเอาความคิดหายไปเอาความรู้สึกปรากฏพอทําบ่อยเข้าไปความรู้สึกปรากฏบ่อยเข้าบ่อยเข้าความคิดก็ห่างออกไป พอต่อไปความคิดมาเริ่มเห็นอ๋ออันนี้ตัวคิดอ๋ออันนี้ตัวรู้สึกเริ่มแยกการเห็นความคิดนึ็นความคิดเห็น ค, ค, ความรู้สึกเป็นควก ime, ชัดเรียกว่าเห็นรูปเห็นนามรู้รูปรู้นามมันไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ถ้าเราไปคิดเอาเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นการที่เรายกมือเนี่ยเพื่อที่จะมาทําพิธีการแยกระหว่างความรู้สึกความคิดออกจากกันเท่านั้นเองทําไปถ้าไม่ทําเนี่ยเหมือนกับเรา ดูอะไรไม่ชัดเราก็ขยายใช่ไหมหมุนเลนกล้องซูมขยายซูมให้มันดึงเข้ามาใกล้ๆขึ้นอย่างเดินเที่ยงลีสูงใช่ไหมอ่าปโฟกัสเวลาเราหาแผนที่นูนนะ่นดาวเทียมรอยอยู่บนห่างจากผิวลรกไม่รู้กี่พันไมล์ใช่ไหมดึงซูมดูโลกทุกตารางนิ้วตารางเม็ดได้เลยอะ่ะใช่หม โฟกัสมันสูงขนาดนั้นอันนี้วิทยาศาสตร์เอาการแตะสรู้ของพุ้ทีามาใช้อันนั้นคือทางด้านวัตถุใช่ไหมแต่ไอการที่จะเข้าไปปรับดูโฟกัสของจิตที่มันมีกี่ชั้นกี่ชั้นให้ใกล้ที่สุดเนี่ยเราเรียกความรู้ชนิดนีวว้ว่าวิปัสนาญาณคือโฟกัสที่เลนของจิตคือวิปัสนาญาณแบ่งเป็นสิบหชั้น้วยกันมีอะไรบ้างยังไม่ต้องทราบตอนนี้นะแต่ว่าขอให้เราปรับ เลนชั้นที่เราพอจะทําได้เนี่ยตอนแรกมาซูมดูกายให้เป็นเยอะก่อนวันนี้มาซูมดูกายเราเห็นอาการเกิดขึ้นของความรู้สึกเจ็บปวดเกิดขึ้นตามลาดับเห็นชัดไหมคนไหนเห็นชัดนั้นคนก็เริ่มมียานปัญญาเกิดขึ้นแล้วแต่คนไหนเห็นบ้างไม่เห็นบ้างยานปัญญาก็ยังอ่อนอยู่คนไหนก่อนที่การที่จะพัฒนายานปัญญาตัวนี้ให้ชัดก็คือก็อปล่อยให้อาการหนักหน่วงนี่ให้มันเกิดขึ้นมากๆ ก, ก, ก่อนใค้ชั ด, ชดก่อนแล้วเวลาเราปรับเนี่ย เราก็จะเห็นมันคลายไปชัดแต่ถ้ายังไม่ปวดไม่เจ็บชัดแล้พิกไปเนี่ยเราไม่เห็นการเกิดขึ้นดับไปของมันชัดใช่ไหมพอพิกไปปั๊บวูบสบายโล่งเบาเห็นชัดเขาเบาไปอย่างนี้เองเขานั่งไปสักพักเนี่ยไอ้ตัวเบาๆเริ่มไปไงหายไปอีกแล้วใช่ัหมตัวห น, นักๆก็เริ่มเริ่มเริ่มเพิ่ ม, ม, ม, ม, ม, มาก็ตามดูเข้าไปดูไปจนมันเต็มที่มันพีกเป็นอย่างนี้พอเปลี่ยนไปวืบออกมา ความง่วงก็เหมือนกันใช่ไหมเมื่อเกิดขึ้นทีเล็นิดๆดวง่วงเกิดขึ้นไปยังไงเห็นไหมอาการเป็นยังไงถามคนไม่ง่วงเราไม่รู้เรื่องเราถามคนง่วงนี่คุณเป็นยังไงอาการง่วงเกิดขึ้นยังไงคนที่สางจากแถวเนี่ยอาการเกิดขึ้นไปความง่วงบอกอธิบายถูกไหมอธิบายให้ฟังเล่อยอ้าวแสดงไม่เห็นใช่ไหมนั่นนายเห็นมันเป็นนั่งง่วงมาเลยไม่เห็นความง่วงถ้าเห็นความง่วงเราจะอธิบายถูกนะใช่ไหม เพราะนั้นง่วงนั้นดีแล้วแต่ต้องสังเกตมันมันเริ่มยังไง ท, ทาท่าง่วงก่อน ท, ทาท่าง่วงอ๋อมันเริ่มอย่างนี้ตา ห, หนักหนักให้ใจฟูดฟืดเปลีป่ยนั่งอะไรต่างเนี่ยเริ่มเห็นถ้ามันง่วงสิบครั้งให้เห็นมันสักห้าครั้งก็ก็ดีเราก็เริ่มมีความรู้โฟกัสมันเข้าไปนีโฟกัสดูชัด เพราะฉะนั้นความรู้ที่พุทธิยถาตรัสรู้เนี่ยเป็นคุณอุปการอย่างมหาศาลต่อวงการวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอันเบิร์ตไอน์สไตน์นับถือพุทธิยถาเลยนะเอาความรู้ของุทธิยถามาใช้แต่ไปติดอยู่ขั้นตอนหนึ่งถ้าสมมุติไม่ติดอยู่ขั้นตอนนี้นั่นหมายความว่าอันเบิร์ตไอน์สไตน์ได้เป็นพุทิชถาอีกองนหนึ่งเลยติดเรียกว่าขันห้าอุปทานในขันห้า อาตัวุปทานออกจากขันห้าได้อย่างไรตรงเนี้อันเบิดทำไม่ได้รู้ว่าในขันห้าเนี่ยมันมีอุปทานเราถึงคิดออกเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้แต่จะเอาอุปทานออกขัน 5, ออกจากขันห้าได้อย่างไรเนี่ยอันเบิดยอมพุทธิย่าเลตรงนี้ซึ่งอันเบิดขาดอะไรที่จะออกไม่ได้หาดวิปัสนาญาณ ไม่ได้พัฒนายานปัญญานี้ตามลำดับของโลกุตรธรรมเขามีปัญญายสูงสุดในแง่ของโลกียธรรมซึ่งมันควรและชั้นบรรยากาศเลยนะยากรูปกับน้ำเนี่ยนั้นเขาก็เลยยอมสิ้นราบต่อพุทธศาสนาเขาบอกว่าถ้าในอนาคตจะถึงการล่มสลายของศาสนาทั่วไปจะมีเหลือศาสนาเดียวอยู่ในโลกคือพุทธศาสนาเท่านั้นกค่นี้ขนาดนั้นเลย และทั้งหมดถ้าข้าพเจ้าจะตัดสินใจยอมรับสัตวนะ์นะใดสัตหนึ่งเข้ามาอยู่ในชีวิตของเจ้าข้าเจ้าจะยอมรับพุทธศาสนาเท่านั้นนั่นี่ขาพเจาพูดนะท่านน่าจะเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ทางวัตถุนี่ก็ยอมรับในส่วนนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นคนรูุ้ที่พระเจ้าตรัสรู้มาแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็มาแยกย่อยที่เข้าใจไปตามศาสตร์ต่างๆนะแต่เพราะไม่พุทธเจ้าจึงไม่ประกาศไม่ทําอย่างนี้ไว้นักวิทยาศาสตร์เพราะว่านีท่านผิดบนัตน์ น, นนะ เพราะว่าถ้าไปพัฒนาวัตถุให้ละเอียดขึ้นมันจะไปตอบสนองความอยากของมนุษย์อย่างสูงอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเรามีเครื่องพิมพ์ดีธรรมดาใช่ไหมพอละเอียดขึ้นมาหน่อยพอิมพ์ดีไฟฟ้าพะเอียดขึ้นมาหน่อยพอิมพ์ดีเป็นไงคอมพิวเตอร์รุ่นไหนอตั้งแต่แรกสมัยจูราสมัยเวิร์ดใช่ไหมสมัยแมคอินทอรอะไรขึ้นมาเราพัฒนาจนมาถึง อะไรหขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นไอสามไอห้าไอเจอปอเกอสิบเป็นโนต้ตเป็นแท็บอะไรไปเรื่อยๆมันละเอียดขึ้นคนก็ยึดติดเป็นศาสนาเลยทีนี้คนก็หมก ม, มุน่นจนไปถึงลูกหลานของเราในนี้แจกแท็บเล็ตกันก็นึกนว่าเด็กมันจะมาเรียนรู้ที่ไหนแล้วมันหมก ม, มุ่นกีมทั้งวันเลยนะตายเลยทีนี้อันนั้นดังนั้นความละเอียดของวัตถุจะเป็นการทํำลายทําให้ มนุษย์กลายเป็นสัตว์นี่คือพระพุทธเจ้ามองเห็นตรงนี้แต่นักวิทยาศาสตร์มองไม่เห็นจึงกลม้มหน้ากล้มตาพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อตอบสนองในแง่ดีเข้ามันกน็เราบอกว่าเออเป็นอารยธรรมพัฒนาทําให้มนุษย์มีการพัฒนาสูงขึ้นโลกนี้เจริญขึ้นแต่ในด้านลบ ก, ก็คือโลกนี้ก็ถูกทําลายใช่ไหมทุกอย่างตั้งแต่พลมลพิษต่างๆ ภาวะรลกร้อนภาวะเลือนกระจกธรรมชาติในป่าในเขาต้นน้ำลำธารถูกกำไรแร่ในสินดินหินในะทะเลอะไรต่างถูกค้นออกมาใช้หมดเพื่อตอบสนองตัณหาของมนุษย์นั้นพูที่เจ้าเลยไม่ประกาศว่าจะเป็นการทำให้มนุษย์กลายเป็นสัตว์ท่านเลยบอกว่าถ้าหากจะประกาศความละเอียดของวัตถุเพื่อตอบสนองความอยากของมนุษย์แล้วโลกนี้จะ เกิดสงครามอย่างถาวรท่านจึงไม่ทําเพราะจะมีการยื้อแย่งวัตถุดิบกันตลอดไปท่านจึงประกาศตรงกันข้ามแทนที่จะประกาศวิทยาศาสตร์ทางรูปท่านก็ประกาศวิทยาศาสตร์ทางนางมาทำคือทําเพื่อทํำลายความอยากแทนที่จะไปเสริมความอยากวิเสริมปัญหาใช่ไหมท่านก็ไปทํำลายความอยากโลกนี้จะอยู่รอดนี่คือเหตุผลว่าทําไมพุทธเจ้าจึงไม่ถามว่าพุทธเจ้ารู้วิทยาศาสตร์ยิ่งกว่ารู้สิแต่ทําไมท่านไม่สอนเพราะ มันไม่ได้ทำให้มนุษย์ดีขึ้นมันจะทําให้มนุษย์เลวลงอย่างปัจจุบันนี่ยดังนั้นเองก็ น, นี่คือเหตุผลหนาดังนั้นการที่เรายกมือสร้างจาาังหวะนี้มีเหตุมีเหตุว่าเป็นการเพิ่มตัวรู้เข้าไปสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ทําให้เราเป็นทุกข์าะความไม่รู้ใช่ไหมเราก็มาสร้างตัวรู้ขึ้นเท่านั้นเองตัวรู้ต้องสร้างเยอะๆเราไม่รู้มานานแค่ไหนก็สร้างตัวรู้เท่านั้นเช่นเดียวกัน มันก็เส้นหมอนเส้นไหมเนี่ยตัวของมันยักชักใหญ่รอบตัวมันเองมากี่หมนกี่แสนรอบเนี่ยมันก็จะต้องลื้อกับคืนเท่านั้นรอบเหมือนกันแต่ลื้อที่ออก์ละรอบมันช้าใช่ไหมทํำไงให้ลื้อให้ไวที่สุดก็ต้มมันเสเลยละลายทีเดียวหมดเลยนะแทนที่เดมานั่งสาวกันเป็นหลายๆวันก็ต้มทีเดียวละลายภายในบุญุงพ่อเถียนใช่ว่าอึดใจเดียวใช่ไหมทำว่าอึดใจเดียวหมายความว่าให้รู้เข้ามาที่ความรู้สึกตัวชัดๆ วาบเลยเหมือนกับในถ้าแห่งหนึ่งมีอายุมาหลายแสนปีมืดเลยแต่ในถ้าแห่งนี้เราจะไล่ความมืดออกโดยวิธีใดเราจะหาวิธีไล่ความมืดออกจากถ้าเนี่ยจะใช้วิธีไหนถึงจะไล่ออกอ ป, <laughs> ปืนสป อ, ต <laughs> อรตไล่ใช้เวลาไหมถึงจะทำลายมันได้ใช้เวลาไหม ไม่ต้องใช่เวลาถึงแม้ส่รสงความมืดมาเป็นแสนแสนปีใช่ไหมแต่ใช่เวลาเสี้ยววินาทีเดียวหายวุบเลยนั่นคือมิติที่ตรงกันข้ามกันนั่นเองแม้ว่าเราจะเวียนว่ายแต่เกิดด้วยอำนาจของวิชามาเป็นหลายล้านภพชาติแลว้วก็ตามแต่พอได้แสงสว่างแห่งยานปัญญาวุบเดียวความไม่รู้เป็นหลายภพชาติกับกันก็หายปราศนากาันไปทันทีเหมือนกันนี่คือ ความอชัยจรนท์การแต่สรูปของผู้เรียาดังนั้นเราจึงไม่ต้องท้อถอยนะเมื่อเราได้สิ่งนี้เขาเป็นชีวิตจิตใจแล้วนี่เราก็จะมีความสุขสบายมีครอบครัวแบบมีความสุขในครอบครัวจะทํางานก็มีความสุขในการในงานเหมือนกับคนเดินไปในที่มืดคนหนึ่งมีไฟฉายคนหนึ่งไม่มีไฟฉายไปไงอ่าคนหนึ่งมีแสงสว่างในมือคนหนึ่งไม่มีแสงสว่างใครสบายกว่าอ่าหรือนนขับรถไปคนหนึ่ง ตาลดเสียคนหนึ่งตาลดสว่างใครเสี่ยงอันตรายกว่ากันหรือเดินฝ่าฝนคนหนึ่งมีร่มคนนึงไม่มีร่มใครสบายกว่ากันหรือสร้างบ้านคนหนึ่งหลังคาร่วกบางคนคนหนึ่งหลังคาดีใครสบายกว่ากันชั้นหดก็ชั้นนั้นนะนั่นการปฏิบัติธรรมคือความหมายเพื่อความปลอดภัยทุกด้านนั่นเองคุณจะมีครอบครัวก็ครอบครัวก็ปลอดภัยทุกด้านคุณจะไม่มีครอบครัวจะออกมาบวทเป็นพระอย่ามหลวงพ่อนี้คุณก็ทํางานได้มากมายมหาศาล เช่นนั้นเดี๋ยวนี้หาคนช่วยทํางานได้ได้ยากหลวงพ่อเดีวข้างโน้นมาติดต่อทั้งนี้หลวงพ่อยไม่รู้จะไปทางไหนแกจุ่นยุ่ยแย่ยไปหมดในที่สุดเท่าไหรใครทัวมาก่อนก็ได้ก่อนคราวนี้อ <c oughs> วันนี้หลวงพ่ อ, อยังยากใจเนี่ยว่าพไปสมาคมคนจีนสองคนนั้นมาติดต่อพยายามล็อกหลวงพ่อให้ไปเงินไปเอาเงี้ยกันคุณมาปฏิบัติก่อนก็แล้วกัน ถ้ามาปฏิบัติว่าสิ่งที่คุณทํามาแล้วนะ่ยถ้ามันถูกต้องดีแล้วเนะี่ยมาก็ไม่ต้องไปแต่สิ่งที่คุณทําถูกไม่ถูกต้องไม่ดีงามจาเป็นต้องกลับไปแก้พวกที่คุณทํากันมาลหลายปีเนี่ยนะนะไม่งั้นก็จะผิดพลาดไปเรื่อยๆเขาก็เับว่าเดินกันยาเนะี่ยเขายากจะมากันอเสร็จแล้วเขาต้องบอกว่าถ้างั้นแล้วหลวงพอ่อเราไปเดินธนวานะแล้วถ้าเขาขอให้คุณผ่านเดินกันยาก่อนก็แล้วกันก็ <laughs> ผมค์พ่อว่าไกรครัวมันจะเป็นบิสเนตอ่ะเอากรรมฐานไปเป็นบิสเนตคุณมีหน้าที่ออกแกนในเสื้อคุณมาปฏิบัติแล้วนิมนต์พระอาจารย์กรรมฐานนั้นมาแล้วคุณไปเก็บเงินทวนนั้นคนนี้คุณจีนก็น่าดูือกันนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาระวังตรงนั้นเหมือนกันนะไม่ใช่จะจะจะรับได้ทันทีเหมือนกันก็ดูเหมือนกันว่าเขาทำเพราะมันถ้าเขาไปทําน้ำมันก็เป็นบาปของเขาเนาะเราก็ต้องดูเราจะช่วยเขานั่นเองนะดังนั้นขอให้เราอย่าท้องนะ แค่วันนี้ก็รู้สึกดูดัแล้วเออมีมีความตั้งใจถ้าวันพรุ่งนี้อีกวันก็จะต่อเนื่องขึ้นพยายามสร้างตัวรู้ให้มากขึ้นมาขึ้นแล้วตัวรู้ดีมันจะไปเคลียร์ดัวไม่รู้ขั้นมันเองแต่ขอให้ขยันทําเท่านั้นเองรู้บางไม่รู้ บ, า ง, บางก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ขยนันนะร้อยครั้งยกมือร้อยครั้งมันจะต้องรู้นะสิบครั้งยีสิบครั้ ง, งใช่ไหมนะแต่ถ้าคนที่มีเววไวนะอาจจะสาสิบครั้งสี่สิบครั้งกันไปเรื่อย คนที่แย่ ๆ, ๆหน่อยห้าครั้งสิบครั้งก็จะดีในร้อครั้งใช่ไหมแต่พวกเราครูทั้งนั้นคงไม่ถึงขนาดนั้นวางี้อย่างน้อยร้อยหนึ่งมัน่าจะได้เลาหกสิบเจ็ดสิบขึ้น น, นะนะลองลองดูนะดังนั้นเราเหลือเวลาอีกประมาณสิบห้านาทีต้องกลับไปนอนให้ได้หลับให้ลงม้วนคนะนี้จะได้คนไหนที่ตื่นดีสี่ทันก็ได้มาโยคะคนไหนตื่นไม่ทันก็ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นใช่ไหม